โอ้วันนี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ตกทั้งวนันแต่ไม่แรงนี่อันนี้ทําผ้าแรงนะนี่ลายแรงเลยนะี่แต่เมื่อคืนนึกตกทั้งคืนไม่แรงแต่ก็ทราบข่าวว่าทราบข่าวจากโซเฟอร์ซูเฟอร์หลวงพ่อเนะี่ยที่ขับรถไปรับบินทบาทบอกว่าต เครื่องบินเมืองลาวตกที่ปากเซบอตายไปหลายคนเหมือนกันทั้งลําแต่มีคนไทยตายอยู่ด้วยสี่ค น, นตามให้จึงใครตายก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละกับคงที่นั่นคงจะพายุหลุกนี่แหละลงพ่อว่าเวลาเครื่องบินมันจะล่อนลงสนามมันคงจะปะทะกับ ลมกระโชกหรือลมกระแทกอย่างแรงทำให้เสียหลักทำให้เสียหลักมันทรงตัวไม่อยู่กระทำให้ตกได้ไง่ายๆเหมือนกันนี่แหละความตายของคนไม่ได้เลือกการสถานที่ตายได้ทุกเวลาเนานั้นท่านจึงไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆถึงที่ไหนก็นที่นั่นเพราะชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนใวันนี้เป็นวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2556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 27เนี่ยที่เขียนขึ้นไป้ายไว้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคมออกภรรษาวันที่19แล้วก็ไม่กี่วันหนึ่งประมาณนอาทิตย์เศษๆก็ทอดกรถินกระถินสามมุคีปีนี้กระถินรวมกระถินสามมุคีแต่ท่านอดีตผู้ว่ารถไฟ เป็นผู้นำเป็นผู้นำกล่าวทาถวายคือต้องกรถิ่นนี้ต้องมีผู้หนึ่งเป็นผู้นำทีนี้ก็ให้ปีนี้ให้ท่านเป็นผู้นำกล่าวทาถวายแต่เป็นกรถิ่นสามัคคีร่วมกันทุกหมู่เหล่าปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งกรถินแต่ก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราทุกๆท่าน วันออกพรรษาวันที่19เป็นวันประวารณาคาว่าประวารณาคำนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทาคำสอนของที่ท่านอบรมหรอวาท่านบอกกล่าวพระสงฆ์วันออกพรรษาปีหนึ่งมีครั้งเดียวจำพรรษาสามเรือนจากนั้นก็นจะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติศาส น, านกิจ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 คำว่าปวารณาคำนี้ น, น่าสนใจน่าศึกษาเพราะพทธเจ้าท่านบรรจัดพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันพอวันที่19จะเป็นวันจะเป็นช่วงไหนก็ได้พระจำพรรษาเป็นร้อยหรือเป็นพันหรือว่าตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจะ ต, ต้องมีปวารณาสวดจจติสวดจัจติ สวดจะใช้ค่ายบอกประกาศว่าออวันนี้เป็นวันปรวรณาของพวกเราเป็นวันออกพรรษาเนีขอให้พวกเราทั้งหลายรับทราบร่วมกันแล้วก็ขอปรวรณาต่อกันแถบนั้นก็พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าที่มีอายุพรรษากว่าเพื่อนนั่งกระยองปนมมือเหมือนไหว้พระเน่ยมื่อเราไหว้พระปนมมือและว่านโมพร้อมกัน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 พุทธบริษัทคือเป็นเจ้าของบริษัทนำลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนโมตัสสะจากนั้นก็กล่าวคำปวารณาสร้างคำอวุโสปวารเรมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกายาวาวะดันตูมังอันนี้ก็คือคำกล่าวเป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยออกมาว่าข้าพเจ้า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 คล้ายๆกับว่าให้พวกคณะสงฆ์เนี่ยตักเตือนปภาวณาตนต่อสงฆ์ให้สงฆ์ว่าเก่าตักเตือนตนได้แต่ถ้าว่าตัวเองไม่ได้เราไม่ได้ว่ากล่าวไม่ได้ปภาวณาต่อกันจะว่าเก่าตักเตือนกันก็จะเอ้าผมไม่ใช่มาอยู่ศึกษากับท่านผมไม่ได้อยู่กับท่านท่านจะมาพูดมากล่าวให้ผมทําไมฮะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง ถ้าหากว่าเราประวราณาต่อสงฆ์อ้าววันออกพรรษาท่านประวราณาอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ว่าการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่มันไม่ถูกต้องให้คณะสงฆ์บอกกล่าวตักเกือนกันได้นีะ่ะพอองค์แรกพูดจบองค์ที่สองก็พูดองค์ที่3ก็พูดถ้าอยู่ด้วยกันเป็น20่องค์ก็พูดทั้ง20่สิบองค์พูดทีละองค์ละองค์ละองค์งไป แต่ละพระแต่ละองค์ละองค์ไปจนจบเนีจิตเนี่ยอันนี้คือปวารณาปวารณาในสงฆ์พวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทาของผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายก็คือการกระทาที่ไม่ถูกต้องอการกระทำเนไม่ถูกต้อง อ, ออกมัดออกมวยลักษณะอย่างนั้นอ่ะแล้วาวาจาคือการกล่าวที่มันไม่ถูกต้อง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 ต้องมีปวารณาต่อกันเพราะนานาจิตต่างนานาทัศนการอยู่ด้วยกันมากมายหลายๆลจิตหลายหตระกูลหลายหแนวความคิดหลายหการศึกษาหลายวิชาอาชีพมาอยู่ด้วยกันแนวความคิดมันก็ต้องหลากหลายเมื่อหลากหลายตันี้ก็ถ้าว่าไม่มีปวารณาต่อกันความหลากหลายตัวนี้ก็ไปคนละทิศคนละทางกันอีกเพราะนั้น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 แต่ถ้าว่าพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าก็บ่าบริษัทคานี้ใครเข้าผูา้อยู่ข้างในบริษัทมีหุ้นส่วนบริษัทที่ผู้นับเคารพนับถือในบริษัทพระพุทธเจา้า <S S S> พวกเราควรจะเอาแนวความคิดของพระพุทธองค์สอนพระสงฆ์หรือวสอนภาพรวมมานำมาปฏิบัติกับตนเอง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 ทําให้วงการเสียหายทําให้ประเทศชาติเสียหาย เ, เพราะว่าประเทศชาติก็ดีวงการก็ดีสํานักงานก็ดีไม่ใช่ของเราคนเดียวอ่ามันเสียหายก็เสียหายทั้งหมู่ทั้งคณะด้วยเนี่ยเพราะนั้นพวกพวกท่านหลายบอกกล่าวผมนะแล้วก็คนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีจนถึงคนจุดท้ายจุดนู่นเฮ่จนถึงโซเฟอร์รถจนคนที่ทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูจนทํา ดูแลต้นไม้สวนย่อมปรวรนาตนทั้งหมดหแล้วก็เมื่อเกาตักเตือนกันแล้วก็นี่ยะต่างคนก็ต่างมึงเคารพศิษย์ซึ่งกันและกันเคารพในการเชื่อฟังซึ่งกันและกันหลวงพ่อว่านำท่านถ้าเรานำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ก็คงจะเกิดประโยชน์ และครัพร้อมกันจุูในครอบครัวของเราก็เหมือนกันพ่อแม่ลูก เ, เมื่อเรามีโอกาสเราก็ปรารถนาเออพ่ อ, อ, อ, พอในในฐานะที่เป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อได้กระทาสิ่งใดก็ตามาที่ไม่สบายใจของแม่บ้านของลูกทุกคนพ่อก็ยินดีที่จะรับรับฟังเปิดใจเปิดความคิดรับ แนวความคิดของลูกลกทุกคนอบอกราวอพ่อด้วยทราบว่าเห็นว่าเหมาะสมถูกต้องอพ่อก็จะได้ทํารวมระวังต่อไปอทั้งแม่บ้านก็เหมือนกันตวาวนาทั้งลูกทุกคนก็ภา ร, รณาอคุณพ่อคุณแม่เห็นผมเห็นหนูทําอะไรไม่ถูกต้องก็ขอให้ว่า ก, กาวตักเตือนได้อยินดีที่จะรับฟัง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 เขาว่าผิดขนาดไหนก็ว่าถูกดันไปข้างข้างครูๆบางสิ่งบางอย่างก็ใช่มันก็ถูกโย่เลี่ยมหนึ่งแต่เราไม่มองให้กว้างถ้ามองให้กว้างขวางแล้วถ้าหลายคนหลายแนวความคิดคนหนึ่งมองจะหนึ่งพูดให้ฟังหนึ่งที่ท่านมองครั้งนี้ใช่ถูกต้องแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเลยสิมองอีกเลี่ยมหนึ่งอีกสิมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ท่าน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 ตั้งแต่หลวงพ่อน่ยสมมุติว่าหลวงพ่อมีพระทั้งสี่สิบรูปอย่างนีน้วันออกพรรษาวันที่สิเกาแล้วก็นัดไปชุมกันไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งกระยงประนมมือหันหน้าเข้าหากันว่านามโมคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเนข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวนามโมสามจบจากนั้นหลวงพ่อก็กล่าวประวัรณนาเป็นองค์แรกนะ สร้างคำอาวุโสปวาวเรเม่เนี่ยข้าพเจ้าเป็นอาวุโสที่เขาอเป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มที่มีอายุพรรษามากกว่าพวกท่านใอาวุโสน่ต่อไปก็สร้างคำพันเตเนี่ยพันเตก็เป็นผู้รองลงไปจนถึงองค์สุดท้ายน่พันเต่ทั้งหมดพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีไม่เห็นด้วยใจแต่ลังเกียจในความคิด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 ละองค์ที่สองจะสร้างคำพันเตอีกพอจบลงก็สาธุทุกองค์อีกอ่าเอ า, เอารับฟังรับไว้พิจรารณาฮะอ่จนถึงองค์สุดท้ายนี่แหละคือการภารวนาในสงฆ์เพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่ไม่เคยบวชนะก็คงจะไม่รู้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมได้รับรู้บทราบเกดเล็กเก็ดน้อย เป็นแนวความคิดให้กับพวกเราทันทั้งหลายและจากนั้นก็ได้นำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้อบรมบอกกล่าวแนะนำต่อส่งแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับพวกเราไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ า, เ ท, เ, ะะททาเทศเป็นเจ้วพ่อีทั้ง5้าโอท่านเทพเป็นจ้วพ่อี้ทั้งหล็อกท่านม้เทศให้เราสักหน่อย ท่านไปเทศให้องค์อื่นโอ้ท่านเทศให้องค์นั้นไม่ใช่เทศให้เราสักหน่อยท่านไม่ได้พูดให้เราสักหน่อยอันนั้นแปลว่าเราถึงจะไปฟังธรรมเทศนาที่ไหนๆก็ไม่เกิดประโยชน์ทางนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่ได้โอปัญิโกถึงเราจะได้ยินท่านพูดให้กับใครก็ตามครับ่าาททนเทศใให้กก็ตมแต่ก็เรานำทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดให้คราวนั้นมา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 พจราร่างกายสังขารร่างกายของเราไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะลมหายตายจากเมื่อไรไม่ทราบอย่างที่สลงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเครื่องบินประเทศลาวตกเมื่อวานเนี่ยวันที่1 5วันที่16วันที่16ตุลาห้าหเนะี่ยนี่แหละไม่รู้ว่าเราจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเอาเถอะ น, นั้นเรื่องของเขาแต่อีกสักวันหนึ่งก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะ อะไรจะเกิดขึ้นกับเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราได้ทั้งนั้นเอ่เพราะนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราควรจะทำสิ่งนั้นให้มากรควรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ทานเป็นหนทางของตอนเองคนที่ทำบุญทำทานเกิดพพใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากในทำคาสอนของพระพุทธเจ้า รักษาศีลกุมารกัน เ, เกิดพบไรชาติใดจะเป็นศีลธรรมคุ้มครองภาวนาจะทําให้ใจิตใจของเราได้รับความสงบมีความสุข เ, เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไปนัตสถานที่ใดอยู่นสถ า, านที่ใดเกิดนสถานที่ใดจะไม่เป็นบ้าไบาเสียจิตเพราะอะไรเพราะเราภาวนาจิตใจของเราสงบนะเอาต่อ น, นี้ไปรับพรนัตสเนเนะ้โวเสียงฝน แทงหลงพ่อขนาดหนักไรยโครงเนี่ยกำลังเทลงมาอย่างแรงนะรับผ่อนนักเตนเนอร